กกราบบูชาพระตนาไตรกราบบูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียหลวงพ่อคำเขียนถวายความเคารพมายัางหลวงพ่อกมพระอาจารย์วัฒนาชัยพระอาจารย์สุรินพระอาจารย์ทุ่มพันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายัางไม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน วันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคาร <c oughs> ที่หพฤษภาคมนะพุทธศักราช2 5 5 8ว่าไปแล้ววันนี้เป็นวันที่สำคัญของคนไทยและประเทศไทยนะที่เรามีพระมหากษัตริย์นะที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะก็เป็นวันขึ้นของราชเราเรียกว่าวันฉัตรมงคลนะซึ่ง ด้วยปณิธานของพระองคนะ์ก็ทำให้แผ่นดินไทยของเรานะมีความสงบร่มเย็นนะมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสนะได้มาใช้ชีวิตนะมาปฏิบัติธรรมนะในประเทศที่มีความสงบร่มเย็นเนะี่ยเป็นโอกาสดีนะ โดยเฉพาะในช่วงนี้ทางรัฐบาลนะก็ประกาศให้หยุดยาว4วันเลยตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันอังคารวันนี้ถ้าเป็นเอกชนก็ปิด5วันเลยตั้งแต่วันที่1นะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาหยุดยาวหลายคนก็อาศัยช่วงเวลานี้นะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโตนะซึ่งก็เป็น การที่เรานะมาใช้เวลาวันหยุดเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองนะแทนที่เราจะไปเที่ยวนะไปหาความสุขสนุกสนานนะความเพลิดเพลินนะก็เป็นการพักผ่อนะเรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจนะที่หลายคนนะก็คงจะคุ้นเคยแต่การมาที่วัดป่าสุกโตเนี่ย เราได้มาพักผ่อนหย่อนใจในอีกลักษณะหนึ่งนะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะลงไปในจิตในใจของเรานะด้วยการที่มาปฏิบัติธรรมนะด้วยการเจริญสตินะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้สาธยายมนนะบทพิเศษนะว่าด้วยหมาสติปัฏฐานสูตรนะซึ่งตรงนี้ถ้าเราวิจารณาดูให้ดี นะก็จะเห็นได้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเรานะก็คือเอาไอเรียบทก็ดนะีเอาสิ่งที่เราทําอยู่ในชีวิตประจําวันของเราก็ดีเนี่ยมาเป็นอุปกรณนะ์ในการที่เราจะศึกษานะเรื่องกายเรื่องใจของเรา นะเพราะฉะนั้นการศึกษาปฏิบัติธรรมนะในส่วนของการเจริญสติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะ่ไม่ใช่เรื่องลึกลับนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอะไรนะพุทธองค์เนี่ยพยายามทำสิ่งที่ยากให้มันง่ายแต่พวกเราส่วนใหญ่เนี่ยชอบทำเรื่องง่ายให้มันยากนะโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรม หลายคนนะคุ้นเคยกับการเรียนรู้ด้วยความคิดนะใช้ความคิดพิจารณาใช้การจดการจำแล้วก็ไปคิดหาเหตุหาผลนะเพราะนั้นความยุ่งยากเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใช้ความคิดการเจริญสติก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าใช้สติใช้ความรู้สึกตัวนะไม่ได้ใช้ความคิดเลยนะซึ่งตรงนี้เป็นจุด ที่จะทำให้การเรียนรู้การศึกษาของเรานั้นง่ายขึ้นความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยมีอยู่แล้วทุกคนหนัก็เรียกว่าสติสามัญหรือความรู้สึกตัวพื้นฐานที่มีอยู่แล้วเรานั่งเราก็รู้ว่านั่งเราเดินเราก็รู้ว่าเดินเรากินเร า, าเดืม่มเร า, าพูดเร า, าคิดเราก็รู้รู้ใน กเรียาอาการต่างๆเหล่านั้นรู้ในกิจวัตรประจําวันเหล่านั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นเราเดินนะเราไม่รู้ตัวหรอกเดินไปคิดไปเรานั่งคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นไม่รู้ตัวว่านั่งหรือแม้แต่เรากินข้าวนะกินไปคุยไป กินไปนึกเรื่องนั้นนึกเรื่องนี้จะต้องทำนู่นทำนี่คือใจเนี่ยมันไม่อยู่กับการกินใจเนี่ยมันไม่อยู่กับการเดินใจมันไปอยู่กับความคิดนั่นแหละเขาเรียกว่าลักษณะการลืมตัวหลงตัวลืมใจไปชั่วขณะชั่วเวลาหนึ่งและเมื่อเราหลงลืมบ่อยๆมันก็เลยกลายเป็นความเคยชินที่จะไม่รู้เนื้อรู้ตัวตรงนี้นี่แหละ น่าเป็นจุดอ่อนน่าเป็นจุดบกพร่องน่ะที่เราไม่ได้เรียนรู้น่ะเรื่องกายเรื่องใจของเราเราไปเรียนรู้โลกข้างนอกเราไปแสวงหาความสุขจากข้างนอกแต่เมื่อเรากลับมาเรียนรู้ที่กายที่ใจของเราด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละสติปัญญาพูดรวมๆว่าความรู้สึกตัวเนี่ย แต่ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ใจมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเยในการที่จะเรียนรู้ธรรมะเนี่ยการเรียนรู้ธรรมะด้วยความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญนะทีนี้ในหลักการมันก็เป็นแบบนั้นแต่ในรูปแบบเนี่ยนะก็มีหลายวิธีนาจะเป็นอานาปนาสติก็ดี ยุบหน้อพองหนอพุทโธสัมมาระหังหรือแม้แก่การเจริญสติเคลื่อนไหวหลักการเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพิธีใดก็ตามที่วัดป่าสุขโตนะเราก็นำเสนอนวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะลักษณะรูปแบบสำคัญก็คือการยกมือสร้างจังหวะก็ดีการเดินจงกรมก็ดีเนี่ยเพื่อที่จะให้ใจเนี่ย กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจมันเคยละเห่เลล่อนไปกับความคิดหลงไปกับความคิดเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องราวเมื่อวานเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อห้าปีสิบปีที่แล้วที่จะเป็นเรื่องราวที่เราวิตกกังวลว่าพรุ่งนี้เปิดทำงานเราจะทำอะไรวางโครงการต่างๆนานา วิตกกังวลเดือนหน้าปีหน้าเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันในความคิดปรุงแต่งเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะห้าม <c oughs> ไม่ให้วางแผนในการทําการทํางานเราก็ต้องวางแผนเหมือนกันแต่ในในเวลาช่วงที่เรายังไม่ได้ทําการทํางาน <c oughs> เช่นเราอยู่ที่วัดป่าสุกโตเรามาฝึกเจริญสติเนี่ย ไม่ว่าคิดอะไรก็ตามนะทิ้งให้หมดเลยความคิดดีก็ไม่เอาความคิดไม่ดีก็ไม่เอาทิ้งไว้ก่อนการทิ้งในที่นี้ก็คือว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจมันยังไม่ต้องไปวางแผนนะว่าจะทำอะไรอย่างไงตรงนี้เพื่อจุดใหญ่ก็คือให้เรารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกตัวมันเด่นขึ้นมาความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะนี่แหละ จะเป็นตัวจัดระเบียบความคิดถึงเวลานอนก็นอนไม่ใช่นอนแล้วยังคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่แนวะวิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนีนะ้ถึงเวลาจะใช้ความคิดก็หยิบความคิดมาใช้เวลาเราไปทำการทำงานเราก็หยิบความคิดมาใช้วางแผนทำนู่นท ำ, น, ทำนี่เมื่อจะเสร็จวา<ม>นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวสติที่เราได้ฝึกเนี่ยมันจะพัฒนาจาก สติสามัญเป็นมหาสติเขาถึงเรียกว่ามหาสติมหาสติไม่ใช่สติมันเพิ่มปริมาณนะแต่มันเพิ่มความไวเพิ่มความฉับไวหรือว่าปฏิพานไวพิบไวที่จะรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งไวที่จะทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้ น, นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่รู้เท่ารู้ทัน รู้เท่ารู้ทันความคิดปรุงแต่งที่พาให้ใจของเราเนี่ยระเหยเรื่อยร่อนไปในสุขไปในทุกไปในความพอใจไม่พอใจถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวชัดตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ระเหเร่อยร่อนไปใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวนราเรียกว่าขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะนั้นคนที่ขวัญเสีย ขวัญไม่ดีเป็นคนขี้ตกกตกใจเป็นคนขี้กลัวเนี่ยถ้าเรามาจเจริญสติเนี่ยมันจะแก้เรื่องนี้ได้จะทําให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆไม่หวั่นไหวกับเสียงสรรเสริญนินทาไม่หวั่นไหวกับสุขทุกข์ไม่หวั่นไหวกับการได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเหล่านี้เป็นโลกธรรม เป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับโลกและเราจะต้องเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันถ้าเราไม่ได้เจริญสติเราไม่ได้พัฒนาสติเราก็จะตกไปในกระแสของโลกเดี๋ยวดีใจเมื่อได้ลาบมาเดี๋ยวเสียใจเมื่อลาบสูญเสียไปหรือว่าของมีค่าสูญหายไปคนรักมาตายจากเงินทองโดนเขาโกงนะตรงเนี้เราก็จะทําใจไม่ได้ เพราะนั้นการทําใจที่ผู้ปฏิทำใจทำใจเนี่ยก็คือการที่เรากลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆโดยเอากายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นหลักนะที่จะทําให้ใจเราไม่ลื่นไหลนะไปในอารมณ์ต่างๆไปในความคิดปรุงแต่งต่างๆเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยนะมันจะเป็นการพัฒนาสติที่มีอยู่เดิมให้มันมี ความฉับไวมีประสิทธิภาพาเรียกว่าว่องไวขึ้นสติธรรมดามันจะเฉยมันก็ใช้ได้ในการในงาน <c oughs> ใช้ในการกิจวัตรประจำวันพอได้อยู่แต่มันจะไม่ทันกับอารมณ์เช่นความโกรธเรารู้นะความโกรธไม่ดีแต่มันก็อดไม่ได้สักทีหนึ่งใครมาพูดไม่ดีเราวีดขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราจเจริญสติเราฝึกเราจะเห็น ก่อนที่มันจะโกรธเนี่ยนะมันจะเริ่มมีแรงกระเพื่อมภายในจิตในใจของเราความขัดอกขัดใจนะยังเรามาอยู่เนี่ยสามวันสี่วันเนี่ยถ้าเราจเจริญสติอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นเลยมันกระเพื่อมขึ้นมาแล้วอะไรที่มันไม่ค่อยพอใจมันจะกระเพื่อมถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยอาการเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะสลายไปเรียกว่าเรารู้เท่ารู้ทันเขาเปรียบเทียบเหมือนว่า ในตอนกลางคืนเนี่ยขณะที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีขโมยย่องเข้ามาในบ้านถ้าเรานอนหลับไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแน่นอนขโมยมันก็ลักของเราแน่นอนแต่ถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาเมือ่อไหร่ว่าเอ้ยขโมยเข้าเราเอะอะโวยวายขึ้นมาเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยขโมยมันหนีทันทีนะอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าเรามีความรู้สึกตัว นะอารมณ์เหล่านี้มันก็จะสลายไปแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวเรายังมืดมัวอยู่เนี่ยมันก็จะมีนิสัยความเคยชินเช่นคนที่ขี้โกรธเนี่ยมันก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นจากความหงุดหงิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณเป็นความโกรธนะซึ่งถ้าคนนี้มีสติจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วแล้วมันเร็วมากเร็วยางสายฟ้าแลบเลยนะ แต่มันจะมีอาการที่ร้อนบูฟขึ้นมาหัวใจเต้นแรงหน้าร้อนเผานะแล้วก็มันอดไม่ได้ที่จะต้องพูดไปด่าออไปหรือตบตีกันไปนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทการตบตีกันเพราะมีคนมาขัดใจเรานะตรงเนี้เพราะฉะนั้นคนที่จเจริญสติเนี่ยเขาจะรู้จุดกําเนิดของความโกรธ นะถ้าเรารู้ความโกรธเนี่ยอีกหน่อยเราก็รู้ความโลภแล้วก็เห็นความหลงได้เพราะนั้นเพียงแค่ตรงนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นแสงสว่างที่จะส่องลงไปในจิตในใจของเรายามค่าคืนมีแสงจันทร์ให้ความสว่างยามกลางวันมีแสงพระอาทิตย์ให้ความสว่างแต่ในใจของเราที่มืดมัวทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยใหสติส่องเข้าไป เพราะนั้นการที่เรามาเจริญสติก็คือการที่เราหาแสงสว่างให้กับจิตใจของเรานะเราก็จะเห็นเพราะนั้นสติเนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนะนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติทีนี้ในการเจริญสติเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยให้เรารู้ที่กายก่อนกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม เราจะไปดูจิตดูใจดูความคิดเลยเนะี่ยมันค่อนข้างยากคนที่เริ่มต้นใหม่ๆไปดูจิตดูความคิดเลยเนี่ยนะส่วนใหญ่นะมันคิดรู้มันไม่ได้สัมผัสรู้มันคิดว่ารู้คิดว่าเห็นซึ่งตัวเนี้ยมันโดนความคิดหลอกแนละ้วแต่ถ้าเรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยนะนมันจะชัดเจนขึ้นเพราะกายเนะี่ยมันเป็นของหยาบยาบเราเริ่มต้นจากของหยาบยาบก่อนจากกายที่เคลื่อนไหว จะสร้างจังหวะ ก, ก็ดีเดินจงกรมก็ดีหรือรู้สึกตัวในไปในการเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจาวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนจะกินดื่มพูดให้รู้แต่คนใหม่ๆมาปฏิบัติยพยายามพูดให้น้อยหรือพยายามงดการพูดได้จะดีะเพราะว่าการพูดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้ต้องใช้ความคิด วางไว้ก่อนเรามาอยู่ที่นี่พยายามคุยกันให้น้อยๆ <c oughs> เก็บเนื้อเก็บตัวปรีกวิเวกคนเก่านี่ก็จะรู้ดีคนใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้คนใหม่นี่อาจจะยังไม่คุ้นทำไปทำมาเบื่อก็จับกลุ่มคุยกันละเรื่องคุยกันละถามนู่นถามนี่ตรงนี้เนี่ยมันจะทาให้การปฏิบัติของเราเนิ่นช้าเพราะนั้นเก็บเนื้อเก็บตัวปลีกตัวเองเลย มีเวลาเนี่ยไม่มากบางคนมาสองวันบางคนมาสามวันบางคนมาห้าวันบางคนมาเจ็ดวันจะมากี่วันก็แล้วแต่ให้เวลากับการทําในรูปแบบให้มากๆแล้วอย่าลืมที่จะรู้สึกตัวในกิจวัตรอื่นๆด้วยจะเป็นการเก็บกวาดทําความสะอาดการกินการดื่มนะ การเดินไปเดินมาการตื่นการหลับการขับถ่ายเนี่ยตะกี้นี้เราสวดไปเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถเจริญสติได้ทุกเมื่อเลยใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่รู้ตลอดหรอกมันเผอไปบ้างไม่เป็นไรเผลอคิดไปเผือลืมเนื้อลืมตัวไปไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกตัวการเจริญสติให้มันเริ่มต้นใหม่เรื่อยๆเป็นความรู้สึกสดๆที่เกิดขึ้นขณะ เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าไม่ใช่ว่าเราฝึกสติแล้วมันจะรู้ทันทีแล้วมันจะไม่หลงไม่ลืมเลยใหม่ๆ ม, มันรู้บ้างเผลอบ้างแต่เผลอแล้วเรากลับมารู้ให้ได้บ่อยบ่อนะเมื่อเราเผลอแล้วเรากลับมารู้เรารู้ว่าเผลอนะนะั่นแหะคือเรารู้เรารู้ว่าคิดไปแล้วเออไม่เป็นไรกลับมารู้สึกตัวใหม่มารู้ที่กายเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างส่องนาทางให้เรา มองเข้าไปในจิตในใจของเรามองเข้าไปเห็นสิ่งที่มันไม่มีตัวมีตนที่เป็นนมามธรรมตั้งแต่ความปวดความเมื่อยของร่างกายนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะเห็นควรจะรู้ควรจะเรียนรู้มาลงไปอย่าไปปฏิเสธมันความปวดความเมื่อยความร้อนความเย็นนะหรือแม้แต่กลิ่นดอกไม้ป่าอ่อ น, ออน นะเสียงแมลงกรีดปลีกนะนกร้องนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราถ้าสติเราดีเนี่ยเราจะสัมผัสพวกนี้ซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยสัมผัสนะบางทีเราก็สนใจเรื่องใหญ่ๆชัดๆสิ่งเล็กๆน้อยๆเราไม่เคได้สนใจนี้ใจมันเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใจเห็นกายชัดเนี่ยมันก็จะไปเห็นความพอใจไม่พอใจ อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราหรือเรื่องกลาวเก่าๆอดีตก็ตามเป็นอดีตที่ฝังใจจะเป็นความดีที่เราเคยทําความไม่ดีที่เราเคยทํามันจะแสดงมันจะผุดออกมาสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจเนี่ยเมื่อเรามาเจริญสติเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นเมื่อเราเห็นเราไม่ต้องไปปฏิเสธ แต่ก็ไม่ต้องไปเรียกว่าไปร่วมกับมันบางทีเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามาสํานึกทีหลังว่าโอ้เราไม่น่าทำเลยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่เสียอกเสียใจเราก็ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจกับมันมากรู้แล้วผ่านอารมณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นมาแล้วผ่านไปไม่ต้องไปเก็บกดเอาไว้คนบางคนไม่อยากจะให้เรื่องเหล่านี้ เกิดขึ้นมาเก็บกดอยู่นั่นนะ่ะเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยมันจะเป็นการชำระล้างชำระล้างสิ่งที่เราได้ทําได้สร้างเอาไว้อาจจะเรียกว่าเป็นกรรมก็ได้เป็นกรรมที่เรากระทาจะเป็นกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีการที่เรามาเจริญสติมันจะได้ชำระล้างนะกรรมที่มันฝังในใจนะจิตใจมันจะได้โปง่งโล่งสบายทําจิตให้บริสุทธินะ์ตรงนี้แหละ าการชำระจิตให้บริสุทธิ์ด้วยสติด้วยปัญญาตัวเนี้จะเป็นตัวชำระล้างาแต่ทำให้สิ่งที่หมักหมมในจิตในใจเนมันได้ละลายหายไปใหม่ๆคนใหม่ๆส่วนใหญ่นะอาตมาเองก็เป็นอย่างนั้นคือเรื่องราวที่ไม่เคยดีมันจะผุดมาก่อนเขาเรียกว่าอารมณ์หยาบๆเรื่องราวหยาบๆเรื่องราวที่ไม่เคยดีมันจะผุดขึ้นมาก่อนมันผุดมาแล้ว มันผ่านไปเดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวดีๆคิดเรื่องดีๆคิดเรื่องกุศลเรื่องนี้มันจะผุดขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่อะไรก็ตามที่มันฝังอยู่ในใจมันจะมันจะถูกชำระล้างออกมาอันนี้เป็นเรื่องดีนะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องไม่ดีอาจจะไปคิดว่าเป็นเรื่องฟุ้งซ่านคือถ้าเรามีสติอยู่ที่กายเนี่ยอะไรมันเกิดเราก็จะไม่พัดหลงไปกับมันเราก็จะกลับมาอยู่ตรงนี้ แล้วเรื่องราวต่างๆมันจะผ่านไปผ่านไปมันจะไม่ฝังใจอยู่นะตรงนี้จะทำให้จิตของเราเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองนะที่เขาบอกเครื่องเศร้าหมองก็คือกิเลสทั้งหลายนั่นเองทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยแน่นอนเนาะมันก็มีอุปสรรคมีอะไรต่างๆขึ้นมาความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านเป็นธรรมดานะไม่ว่าจะฝึกวิธีไหนก็ตามให้รู้เท่ารู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัว เมื่อเรารู้ที่กายนะรู้ที่เวทนาเวทนาคือความพอใจไม่พอใจแล้วมันจะมีความปกติอีกนะอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่เราจะได้สัมผัสจิตที่มันคิดนึกสติที่พัฒนาที่ทำอย่างต่อเนื่องซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกมันจะได้เห็นความคิดความคิดเนี่ยมีสารพัดนะก็ เ, เรียกว่ากิเลสันหตัณหาคิดไปสารพัด ส, สารเพ คิดดีก็มีคิดไม่ดีก็ไม่มีมีละสารพัดให้เห็นมันให้รู้มันและไม่ตามมันความคิดไม่ห้ามและไม่ตามกลับมารู้สึกตัวให้มันแสดงขึ้นมาให้มันผุดขึ้นมานั่นละ่ะเป็นสิ่งดีเราอาศัยความคิดเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เรารู้ถ้ามันไม่คิดก็รู้มันคิดก็รู้ไม่ใช่ว่าไม่คิดแล้วเอ๊แล้วจะทำยังไงเนี่ยจะต้องไปคิดต่อไมบางคนะสงสัย ไม่ค <necessary. S 2> ิดก okay. ็ดีคิดก็ดีดีตรงที่เรารู้รู้เท่ารู้ทันคิดก็รู้ไม่คิดก็รู้มันก็มีจังหวะของมันแล้วมันจะเห็นการเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เราสวดตะกี้นี้นะเห็นการเกิดขึ้นการเสื่อมไปการเกิดขึ้นของความเจ็บความปวดการดับไปของความเจ็บความปวดการเกิดขึ้นของความคิดการดับไปของความคิด นี่คือเห็นอาการเกิดดับที่เกิดขึ้นเกิดดับทางร่างกายก็มีเกิดดับทางจิตใจก็มีนี่เป็นสิ่งที่มันแสดงตรงนี้ตาในมันจะถูกเปิดขึ้นตาสติตาปัญญาคือตาใจตาที่สามเนี่ยเปิดขึ้นแสงสว่างส่องลงไปในใจเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยมีประทีปคือสติอยู่ในตัวเพียงแต่เราจะจุดขึ้นมาหรือไม่ ตาในก็เหมือนกันมันปิดอยู่แล้วเปิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเจริญสติก็คือการมาเปิดตาในให้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในตัวทั้งภายนอกตัวนะที่เราบอกว่าในกายบ้างนอกกายบ้างนะเราไม่ได้มองแต่ภายในกายเราอย่างเดียวภายนอกเราก็เห็นนะเห็นทั้งข้างในเห็นทั้งข้างนอกเห็นความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความไม่อยู่ในอํานาจของเราสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นความจริงที่มันแสดงอยู่ ธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่เราไม่มีความทุกข์เพราะเราชอบให้มันเป็นอย่างที่ใจเราเช่นมันหนาวเราไม่อยากให้มันหนาวมันร้อนเราไม่อยากให้มันร้อนเราไม่ยอมรับธรรมชาติไม่ยอมรับความจริงหรือมันคิดฟุ้งซ่านเนี่ยเราไม่อยากให้มันคิดฟุ้งซ่านอา้าวไปห้ามมันได้ยังไงเรามีหน้าที่ถอยออกมาดูอย่าเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์ต่างๆบางคนชอบสงบนั่งนิ่งๆ มาเคลื่อนไหวนี่ไม่ชอบมันฟุ้งซ่านมันเหนื่อยนั่งนิ่งๆหลับตาสงบนิ่งไ อ, อยยางงั้นนะมันก็สบายนะแต่ปัญญามันไม่เกิดเขาเรียกว่ากดข่มเอาไว้ใช้สมาธิกดข่มไม่ให้คิดหลายคนไปก็จะว่าการปฏิบัติกรรมฐานคือกดข่มเอาไวา้แล้วการทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราติดสงบไม่อยากพบผู้คนเวลา ทำการทํางานก็ไม่อยากทําชอบวันหยุดนะวันทํางานไม่อยากทําซึ่งตรงเนี้มันไม่ใช่หลักของการที่เรามาเจริญสติถ้าทําอย่างนั้นจะกลายเป็ น, นขี้เกียจขี้ค้านคนเจริญสติเนี่ยจะมีความขยันกันแข็งมีความฉับไวพร้อมที่จะทําการทํางานจิตใจพร้อมจะทํางานไม่ใช่จิตใจเฉยไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันจะทำให้ไม่เกิดการพัฒนาเกาเรียกว่า เป็นการที่ไปจมอยู่ในกับอารมณ์เพราะฉะนั้นพยายามเคลื่อนไหวให้มากๆรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวอย่าไปนั่งนิ่งๆแล้วถ้าเราได้หลักแล้วเนี่ยไม่ต้องไปอ่านหนังสืออ่านกายอ่านใจของเราเอาหนังสือมาอ่านเนี่ยมันก็เหมือนกับดูแผนที่เราจะเดินทางไม่เดินทางสัก ท, ทีดูแผนที่อยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยวางเลยแล้วปฏิบัติลงไปเลยลุยลงไปเล ย, ล อ, เ ล, ยลองผิดลองถูก อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะพอใจไม่พอใจให้ดูให้รู้ให้เห็นแล้วอยากเข้าไปอยู่กับความพอใจไม่พอใจนะกลับมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวใจปกตนะิตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นตรงนี้จะทําให้เกิดแสงสว่างภายในจิตในใจคําว่าแสงสว่างในที่นี้ไม่ได้ไหมายเห็นว่าเห็นแสงมันสว่างขึ้นมานะแต่มันเห็น อาการของกายของใจที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปวนไม่อยู่ในอ่ยมนาดฉ้นั้นแสงสว่างตรงนี้อย่าไปคิดว่าทำแล้วโอ้โหแสงสว่างขึ้นมาไม่ใช่นะอันนั้นเป็นเรื่องที่จินตนาการไปมันจะหลอกเอานะเพราะนั้นถ้ามันเกิดก็ให้รู้ถ้ามีแสงสว่างอย่างนั้นจริงๆนะให้เรารู้แล้วเรากลับมาอยู่ที่ปัจจุบันคือการเคลื่อนการไหวกายเนี่ยของจริงแต่เรื่องภายในจิตใจเนี่ยบางทีมันก็หลอกเอา หลอกให้เราดีใจหลอกให้เราเสียใจหลอกให้เราหลงไปเช่นคนติดสงบเนี่ยก็จะหลงไปในความสงบนั่งทีไรก็หลับไปทุกทีนะแม้แต่ความสงบก็ต้องรู้นะรู้เท่ารู้ทันอย่าไปจมอยู่ความสงบจนทำให้เราเป็นคนที่ติดสงบขี้เกียจขี้คานไปไม่อยากพบผู้พบคนเพราะฉะนั้นคนจเจริญสติแล้วเนี่ยก็จะทำการทำงานตามปกติ เราได้วันหยุดมาพัฒนาสติก็ทำให้สติเรามีพร้อมที่จะไปทำการทำงานพร้อมที่จะไปลุยกับโลกนะไม่ได้หนีโลกนะเพราะนั้นคนที่มีธรรมะจะไม่หนีโลกเผชิญกับโลกได้พร้อมที่จะทำการทำงานพร้อมที่จะทำสิ่งที่อยู่ข้างหน้าก็คือหน้าที่สิ่งที่อยู่หน้าเราก็คือหน้าที่นะอันนี้เราก็จะทำการทำงานไปรู้จักพักรู้จักเพียร นะไม่ใช่พักอย่างเดียวเพียรก็ทำเหนื่อยนักก็พักนะถ้ามีสติมีปัญญาจะรู้ว่าควรพักแค่ไหนยังไงไม่ใช่ลุยไปขยันไปจนเจ็บป่วยนะตรงนี้เราก็รู้จังว่าพร้อมพอเหมาะพอดีตัวสติตัวปัญญาที่เราฝึกแล้วเนี่ยเขาจะเป็นตัวช่วยกำกับชีวิตช่วยกำกับจิตใจของเราเนี่ยให้ทำอย่างพอเหมาะพอดีจะกินพอดีจะทำงานพอดีจะอยู่พอดีนะซึ่งตรงเนี้ย มันจะทำให้เราสัมผัสกับความพอเหมาะพอดีนะเรียกว่าความสมดุลของชีวิตทั้งในส่วนกายทั้งในส่วนใจนะซึ่งตรงนี้นะก็จะช่วยทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่ประีตที่มีอยู่แล้วในจิตในใจของเราก็คือความเป็นปกติปกติทั้งกายปกติทั้งใจซึ่งอันนี้มีอยู่แล้วทุกคนนะ่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากพวกเราเอาไว้พิจารณา นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้มีโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเนาะมาฝึกฝนปฏิบัติการเจริญสตินะเรียกว่าได้มาพักผ่อนทั้งกายพักผ่อนทั้งใจนะซึ่งมันแตกต่างไปจากการพักผ่อนนะที่เราเคยไปเที่ยวไปที่ต่างๆอันนั้นมันอาจจะได้พอนกายคือไม่ได้ทำงานแต่จิตใจอาจจะไม่ได้พักเลยก็ได้เพราะว่า มันจะต้องไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้นั่นอยากได้นี่เรียกว่าใจไม่ได้พักแต่เรามาอยู่ที่นี่เรามาปฏิบัติที่นี่มันได้พักทั้งกายผ่อนทั้งใจนะได้มีพลังพร้อมที่จะไปลุยโลกทำงานต่อไปนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในช้าวันนีนะ้ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรนะก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏทั้งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราและก็เกิดขึ้นภายนอกพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะที่เราได้กระทำนะและได้ความเพียรความพยายามความอดทนความตั้งใจของทุกท่านนะได้มีโอกาส นะได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นที่พักนะที่พักผ่อนผ่อนกายผ่อนใจนะเป็นความสุขเกษมนะที่ทุกคนพึงปรารถนาได้สัมผัสพบในเรววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร